b o o ประเทศและภาษาประเทศและภาษาประเทศและภาษาระและาจากเลอนดอนปเทลาษาประเทศลอภาษาปลประเทศแังกฤษรราลลประเทศษ เขาพูดภาษาอังกฤษ t ันท์าเลอร์อังกฤษมาเรียมาจากมาดริดมา r รียเออฟรอมมาดริ d มาดริอยู่ในประเทศสเปน Madrid l i gger p a สเปนเธอพูดภาษาสเปน Hun taler spansk. Peter og Martha m e r fra Berlin. Peter og Martha er fra Berlin. Berlin er i det tyske. Berlin ligger i Tyskland. Taler I begge to taler I tysk. ล o n ด o n เป็นเมืองหลวงลอนดอนเป็น e ัวเมืองแมดริดและเบอร์ลินก็เป็นเมืองหลวงแมดริดหรือเบอร์ลินเป็นหัวเมืองเหลวงใหญ่และเสียงดังหัะเสียงั่งเสอย่ใวีย ฝรั่งเศส l ล gger I Europa ประเทศอียิปต์อยู่ในทวีปแอฟริกา e g y p t ต์เล gger I a f r i ร a ประเทศญี่ปุ่นอยู่ในทวีปเอเชีย Japan l น gger I a s i เ n ประเทศแคนาดาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ แคนาดาลึกกระนประเทศปานามาอยู่ในทวีปอเมริกากลางนมประเทศบราซิลอยู่ในทวีปอเมริกาใต้บรัสซิลเล่นลึกกระในยูอเ i ริกรุณาไปที่